บัดนี้จักได้แสดงธรรมกราสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดหัวข้อที่35นักฟอนวงเว็บสองพระพุทธภาสิทธิ์หิตวารตินจะอรตินจะสีติภูตัง นิรูปทิงสพรโลกาพิูุงวีรังตะมหังพรูมิพราหมนังแปลว่าเราเรียกบุคคลผู้ละความพอใจและไม่พอใจได้แล้วเป็นผู้เย็นไม่มีอุปธิครอบงำขันทโลกทั้งปวงเป็นผู้แก้วกล้าว่าเป็นพรามอธิบาย ความยินดีหรือความพอใจท่านเรียกว่ารติความไม่พอใจท่านเรียกว่าอารติรติคือความพอใจในการมคุณ5ส่วนอารติท่านอธิบายว่าความระอาในการอยู่ป่าวงเล็บในอัตถกถาแห่งพระคาถานี้อธิบายให้ตื่นขึ้นมารติ เป็นกิเลดสายโลภะเกิดตามลำดับดังนี้รติความพอใจอิจฉาความต้องการมหิจฉาต้องการมากขึ้นปาปิจฉาต้องการให้ได้มาแม้ทางชั่วก็เอาอากุศลโลภคืออยากได้ออกุศลโลภะอยากได้ในทางทุจริต วงเล็บอภิชาหรือวิสมะโลภะก็เรียกส่วนอรติเป็นกิเลสสายโทสะเกิดตามลำดับดังนี้อรติความไม่พอใจความระอาปฏิฆะความหงุดหงิดโกทะความเดือดดาลโทสะความประทุษร้ายถ้าประทุษร้ายไม่ได้พยาบาทคือการจองเวร คิดแก้แค้นหรือการผูกใจเจ็บก็เกิดขึ้นผู้มีปัญญารู้ดังนี้ว่ากิเลสใหญ่เริ่มต้นด้วยกิเลสน้อยเมื่อกิเลสน้อยเกิดเมื่อใดรู้แล้วควรรีบดับเสียกันดีกว่าแก่ข้อว่าเย็นแล้วคือเย็นกายเย็นใจเพราะไม่มีอากุศลและกิเลสอันเป็นเหตุให้เดือดร้อน ข้อว่าครอบงำขันทโลกคือรู้เท่าทันขันทโลกไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นเราของเรามีในเราข้อว่าผู้แก้วกล้าอธิบายว่ากล้าในการสละโลกีสุขซึ่งบุคคลทั่วไปสละได้โดยยากบุคคลดังกล่าวนี่แหละตรัสเรียกว่าเป็นพราม เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเ ว, วรุวันวิหารเมืองราชฤกษ์ทรงปรารบภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนรูปที่กล่าวแล้วในเรื่องที่34มูลเหตุที่ตรัสก็เหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องนำมาเล่าอีกก็มีนักฟ้อนวันก่อนก็ได้อ่านผ่านไปแล้วจะเป็นคนคนเดียวกันเนี่ย แล้วก็ลักษณะอาการก็คล้ายๆกันแต่ก็เลยไม่ได้นำมากล่าวอีก 36. ผู้รู้จุติและอุบัติพระพุทธภาษิตจุติงโยเวทิสัตตานังอุปะปะตินจะสพะโสอัสตังสุขตังพุทธังตะมหังโพรมิพราหมนัง ยัตสะคติงณชานันติเทวาขันทะมานุษาขีนาสวังอรหันตังตะมะหังพรมิพรามะนังแปลว่าผู้ได้รู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นซึ่งไม่คล่องไปดีแล้วรู้แล้วว่าเป็นพรามเทวาคนทันและมนุษย์ ยอมไม่รู้คติของผู้ใดเราเรียกผู้นั้นซึ่งสิ้นอาสวะแล้วไกลจากกิเลสว่าเป็นพรามอธิบายว่าการรู้จุติวงเล็บคือการเคลื่อนจากพบหนึ่งและอุบัติคือการไปปรากฏเกิดขึ้นในอีกพบหนึ่งเป็นเรื่องท่านผู้ได้ยานอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าจตูปปาตายานหรือทิพจักสุ อันบริสุทธิ์ยิ่งคราวหนึ่งพระมหากระสปะเถระนั่งพิจารณาดูสัตว์ทั้งหลายซึ่งจุติและอุบัติอยู่ในที่ต่างๆเป็นต้นว่าบนบกในน้ำพระศาสดาทรงทราบจึงตรัสห้ามว่าอันนั้นม่ใช่วิสัยของท่านแต่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการรู้จุติปฏิสนธิหรืออุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นวิชาหนึ่ง ใน 3. ที่พระบรมาศาสดาได้ทรงบรรลุในคืนตรัสรู้ญาณสานั้นคือ 1. ปุเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติถวนหลังได้ถอยหลังไปไม่มีกำหนด 2. จุตูปปตาตญาณการรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายตามกำลังแห่งกรรมของตนของตน 3. อาสวัคยญาณความรู้อันทำให้สิ้นอาสวะได้แก่ความยังรู้ในปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจโดยแจมแจ้งบุคคลผู้รู้อย่างนี้ย่อมไม่คล้องในตัณหาเป็นผู้ไปดีคือไปสู่พระนิพพานอันหนึง่งใครก็ไม่อาจทราบคติของท่านผู้เช่นนั้นได้ท่านผู้เช่นนั้นและพระาศาสดาตรัสว่าเป็นพราม เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเฉดตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารบพระวังคีสะเทระมีเรื่องย่อดังนี้พราหมณ์คนหนึ่งในกลุงราชฤทธชื่อวังคีสะมีความรู้เรื่องเคราะกะโลกศีสะคนที่ตายแล้วเมื่อเขาเคาะดูจะรู้ได้ว่าคนนี้ไปเกิดในนรกคนนี้ไปเกิด ในติระฉานเป็นต้นพวกพราหมณ์ด้วยกันจึงพาเข้าไปเที่ยวหากินโดยการเคาะกะโหลกศรีรษะของคนที่ตายแล้วจนกระทั่งไปถึงเมืองสาวัตถีได้พบอริยะสาวกสิทธิ์ของพระศาสดาพราหมณ์พวกนั้นกล่าวอวดอ้างอานุภาพของวังคีสะส่วนอริยะสาวกกล่าวอวดอ้างอานุภาพของพระศาสดาเมื่อไม่อาจให้ยินยอมกันได้ เจีงพาวังคีสะพราหมน์นไปสู่เชตวันวิหารพระตถาคตเจ้ารับสั่งให้นำกะโหลกศรีรษะของคนห้าจำพวกมาคือของคนที่เกิดในกำเนิดสัตว์ดิลฉานในนรกในมนุษย์สยโลกเทวโลกและศรีรษะของพระกีนาสกพราหมงคีสะเคาะแล้วรู้ได้สชนิด ส่วนกะโหลกของพระขีณาศพวังคีสะไม่รู้จึงทูลถามพระศาสดาว่าทรงทราบหรือเราทราบ พ, พระศาสดาตรัสตอบท่านทราบได้อย่างไรเรารู้ด้วยมนโปรดประทานมนอย่างนี้ให้ข้าพเจ้าบ้างเราให้แก่คนที่ไม่บวชไม่ได้พระศาสดาตรัสบอกพระวังคีสะยอมบวช พระทศพลทรงประทานพระกรรมฐานคืออาการ32ให้บริกรรมภาวนาจนได้บรรลุอรหรัตผลภายในสองสามวันเท่านั้นฝ่ายเพื่อนพราหม์ด้วยกันมาถามว่าท่านเรียนมนต์สำเร็จแล้วหรือหากสำเร็จขอให้สึกไปหากินกันอย่างเดิมพระวังคีสะตอบว่าท่านไม่ควรไปเสียแล้วท่านได้รู้ธรรมอันไม่ต้องไปเสียแล้ว ภิกษุทั้งหลายได้ยินดังนั้นจึงกราบทูลพระศาสดาว่าพระวังคีสะพูดอวดมักอวดผลพระทศพลจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพูดจริงบุตรของเราฉลาดในจุติและปฏิสนธิแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจุติงโยเวทิสัตตานังเป็นอาทิมีระยะดังพรรณนามาแล้วแต่ตน นพระวังขีสะท่าจะมีความรู้พิเศษของท่านนี่นำกะโหลกศีรษะครมาก็รู้จุติและอุบัตินแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะรู้ของพระคีณาสพคือพระอรหันได้นโดยเหตุนี้จึงยอมจำนนยอมแพ้แก่พระองค์น พระองค์ก็ใช้กุศโลบายดินนะบอกว่ารู้ได้ด้วยอะไรรู้ได้ด้วยมนนี่เพราะว่าบอกหมนแก่ข้าพระองค์ได้ไหมบอกได้อยู่ถ้าบวชนะถ้าไม่บวชก็บอกไม่ได้เรียนไม่ได้มนนี้เป็นกุสโลบายนในลักษณะนี้ก็มีหลายท่านหลายองค์เหมือนกันที่พระสาวกท่านใช้อุบายลักษณะนี้นี่แม้แต่เราศึกษาเรื่องพยาเมลินก็เหมือนกันนี เรื่องพยาเมลินนี่ก็ฝานาคเกษตั้งแต่เป็นเด็กนี่สนใจใฝ่รู้ในหมนต่างๆน่พระเทระท่านไปโปรดก็ถามถึงความเป็นอยู่หรือหมนต่างๆเนี่ยก็อยากจะรู้ท่านก็บอกว่าถ้าอยากรู้ต้องตามไปวัดนะตามไปถึงวัด ก็ยังไม่บอกบอกว่ า, าถ้าจะเรียนถ้าจะให้บอกจริงๆต้องโกนหัวก่อนเนี่ยโกนหัวนุ่งภากาสวพัทก่อนเนี่ยด้วยความใครไใรู้ใยศึกษาเนี่ยก็ยอมยอมแล้วก็ให้เรียนเนี่ย เ, เรียนพระธรรมวินัยแล้วทราบว่าท่านมีปัญญาเนเรียนพรรษาเดียวจบพระไตรปิฎก พร้อมกับสำเร็จเป็นพระหัน์นี่ประวัติย่อยของพระนาคเสณ์นะเามีปัญญามากด้วยสามารถโต้ตอบกับพญามรินจนเอาชนะพญามรินได้นับเป็นลักษณะการใช้กุศโลบายเพื่อดึงเอาคน 37. ธรรมทินนาระพุทธภาสิท ยัตสสะปุเรจะปัจชาจะมัตเชจะนติกินจนังอกินจะนังอนาทานังตะมะหังพรูมิพรามะนังแปลว่าความกังวลในขันธ์ทั้งหลายทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่มีแก่ท่านผู้ใดเราเรียกท่านผู้นั้นผู้ไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นว่าเป็นพราม ความกังบนกล่าวคือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นานาประการไม่มีแก่ท่านผู้ใดท่านผู้ใดคลายความติดในรูปเป็นต้นเสียแล้วมีความสุขอันบริสุทธิ์ไม่เจือด้วยราคะไม่เจือด้วยน้ำเมาคือกามท่านผู้นั้นแหลตรัสเรียกว่าเป็นพรามเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่นเวรวันวิหาร ทรงปรารบพระธรรมมินาเถรีมีเรื่องย่อดังนี้พระนางธรรมมินาเถรีเมื่อเป็นขรือหัดธรรมมินาเป็นภรรยาของพิสาขาอุบาสกอุบาสกนั้นฟังธรรมจากสำนักพระศาสดาได้บรรลุอนาคามิผลแล้วกลับมาบ้านมอบทรัพย์สมบัติให้ภรรยาครองตนจะไม่ยุ่ง กับทรัพย์สมบัติไร่ที่แรกธรรมธินนาเข้าใจว่าสามีโกรธเพราะตนมีข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อทราบเหตุผลแล้วนางกล่าวว่านางไม่สามารถกลืนน้ำลายที่วิสาขาบวชถิงแล้วได้ถ้าวิสาขาอนุญาตนางก็จะขอบวชสามีของนางอนุญาตด้วยความยินดีพาไปสำนักภิกษุณีให้บวชแล้ว เมื่อบทแล้วธรรมถินนาไปอยู่ชนบทกับภิกษุณีทั้งหลายเพื่อความวิเวกไม่นานนักนางได้บรรลุอรหัตผลคิดว่าการกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมของนางจะเป็นประโยชน์แก่พวกญาติเพราะญาติจะได้ทำบุญจึงเดินทางกลับมาวิสาขาอุบาศกทราบข่าวการมาของนางเข้าใจว่า ภิกษุณีคงกระสันอยากเสร็จจึงไปหาครั้นจะถามตรงตรงก็เกรงใจจึงถามโดยอ้อมคือถามความรู้ในมรรคผลตั้งแต่โสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลจนถึงอนาคามีมรนาคามีผลเท่าที่ตนได้บรรลุธรรมธินาเทรีวิสัชนาให้แจมแจ้งจนถึงกระหัตตมรหัตผลซึ่งเลยภูมิของวิสาขาอุบาสกไปอีก อุบาสกออกจากสำนักภิกษุณีไปเฝ้าพระาศาสดาถูนเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พ, พระพุทธองค์ตรัสว่าธรรมทินนาวิสัชนาถูกต้องแล้วถ้าท่านถามเราเราก็ตอบอย่างนั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายัตสะปเุเรจะปั ช, ชาจะเป็นอาทิมีนะยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นนี่เป็นเรื่องการปฏิบัต จะว่าไปแล้วก็เหมือนกับสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญานะไม่ได้ออกแรงมากนะไม่ได้ภารมานมากเนะพราะบารมีเต็มเปี่ยมแล้วนะเพียงแต่ได้ยินเท่านั้นได้ยินคนหนึ่งฟังธรรมมานะแล้วก็คิดเป็นคิดได้นะก็จะมอบให้ครองนะทรัพย์นะหรือมอบสมบัติให้ครองนะ ก็มองด้วยปัญญาว่าเออเหมือนก่อนเคละที่สามีเขาบวชทิ้งไปแล้วประโยชน์อะไรเราจะต้องมาออบริหารจัดการกับเคละนี้ก็เลยมีปัญญาออขออนุญาตออกไปบวชเนีเออ่พอไปบวชไปวิเวกไม่นานเลยก็ได้บรรลุนี่ยนี่ลักษณะนี้เขาเรียกว่าง่ายที่สุดจึงเรียกว่าสุขขาปฏิปทากิปปาพิญญาเนี่ยออไม่ต้อง ทรมานขันหรือสังขารมากนักเนี่ยใช้ปัญญาพิจารณาอย่างลงสู่สมาธิวิปัสนาญาณเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นมาก็สามารถชำรกกิเลสทั้งปวงได้เนี่ยนั่นเป็นลักษณะพิเศษของพระสาวกสาวิกาในสมัยพุทธกาลเนี่ยนั้นก็จะเห็นชัดว่าในข้อที่ท่านบอกว่าปฏิปทาสีนั้น สึ่งจะหายากมากโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะก็คือข้อนี้แหละนะสุขขาปฏิปทาคิปปาพิญญานะไอ้นอกนั้นก็มีมีโยเนะี่ยถ้าสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาอันนี้มีมากเหมือนกันนะอยากปฏิบัติสบายสบายแต่ไม่รู้ทำเห็นทำเลยอยากนอนก็นอนอยากเดินก็เดินอยากนั่งก็นั่งนะสบายไปสบายมาก็กลายเป็นตามกิเลสไปเสียไม่ใช่ข้อปฏิบัติเนะีย มันรู้ได้ยากแต่อันหนึ่งชอบอิริยาบถสบายรู้ได้ยากนี่ก็เรียกว่าเป็นสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติสบายมันรู้ได้ยากช้าเหมือนกันก็มีนะอย่างเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าพระเทระบางรูปนี้ท่านก็รักษาอิริยาบถสม่ำเสมอ น, นี่แหละแต่ไม่ขาด คือไม่ได้ทรมานนะถึงเวลานั่งสมาธิก่อนนั่งถึงเวลาเดินจงกรมก่อนเดินนะแต่ไม่ได้หักโหมอะไรนะทำไปทําไปทุกวันนะทำไม่ขาดเหมือนที่หลวงพ่อชาทัานว่าขยันก็ทําขี้เกียจก็ทําทําให้สม่ําเสมอเน่ยแต่ไม่ถึงกับพื้ทุดงทรมานสังหารร่างกายนีแม้จะใช้เวลานานา น, น้อยก็บรรลุทําได้ก็เรียกว่า สุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาในสองแรกๆน ะ, ะทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาเนี่ยประเภทนี้โอ้ลำบากอยู่เหมือนกันเนี่ยสร้างบุญบา ร, รมีไว้น้อยแต่มีอุปนิสัยเนี่ยตั้งความเพียรบางครั้งก็ไม่สำเร็จท้อแท้ถดถอยไปไม่ถึงไหนสู้ไม่ไหวก็ถอย เขเรียกว่าทุกข์ขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติลำบากรู้ก็รู้ได้ยากหรืออาจไม่รู้เลยก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้มีเยอะนะอพอศรัทธามีก็เอาจริงเอาจังนะทุ่มเทให้ที่ลวงพยาธิทก็เล่าเหมือนกันนะบางทีไม่กินข้าวกินน้ำเนะี่ย้าวันยี่สิวันสามสิวันยนะมันก็ไม่ได้บรรลุนย พอไม่ได้บรรลุ ก, ก็คิดไปคิดมาก็บา ร, รมีมันของเรายังน้อยไม่พอเนะี่ยออกไปสร้างบา ร, รมีซะก่อนดีกว่าเนะี่ยทำบุญทำกุศลเนี่ยน่าจะดีลมะมั้งคิดอย่างนี้สุดท้ายก็ออกไปนั่นไม่ได้สร้างบา ร, รมีที่ทีนี้บานมันได้ช่องได้โอกาสมันก็ดึงเอาไปอีกเนี่ยกว่าจะถอยกลับมาได้ก็นานอีกเหมือนกันนี่นเป็นลักษณะของ เปรียบเทียบเป็นทุกขาปฏิปทาทันธาพิญญาเ่แต่ทุกขาปฏิปทากิปปาพิญญาถ้าความเข้าใจว่ามีเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะสมัยของเราเนี่ยสมัยของเรานี่มีเยอะส่วนมากครูบาอาจารย์จะลำบากนปฏิบัติลำบากแต่ท่านก็รู้ทมเห็นรมได้นียอันนี้ยุคของเราจะมีค่อนข้างมากเ่ปฏิปทาลักษณะนี้แหละที่เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาคิปปาพิญญาเ่ถ้าทรมานเสียหน่อยนะเออทำให้สติสตังตื่นขึ้นแล้วก็ปลอดโปร่งพิจารณาทำได้ดีเนี่ยไม่ติดขัดแต่ถ้าให้สบายแล้วอืดอาจยืดย่าคิดอะไรก็ไม่ไปไม่ออกเนี่ยก็เลยต้องทรมานลักษณะนี้ส่วนมากจะถือธุดงขวัตธุดงที่พระองค์ส่งประทานไว้ให้ ถ้าได้ปฏิบัติทุดดงนะ้เออสบายหน่อยเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเนี่ยเป็นการขัดเก่าไปในตัวนะทนเอาหน่อยเนี่ยทนเอาแต่ธรรมะเกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยเลักษณะนี้จึงเรียกว่าทุกขาปฏิปทาคิ ป, ปาพินยาเนี่ยนี่แหละเรียกว่าปฏิปทาสีเนี่ยมีในพระศาสนาที่พระประรมศาสดาพระองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ 38. องคุลีมาละเถระพระพุทธภาษิตอุสพังปะวรังวีรังมเหสิงวิชิตาวินังอเนชังนหาตะกังพุทธังตะมหังพูมิพรามนังแปลว่าเราเรียกท่านผู้องค์อาจประเสริ กล้าหารสแสวงหาคุณอันใหญ่ชนะแล้วไม่หวั่นไหวอาบน้ำแล้วผู้รู้ว่าเป็นพรามผู้องค์อาจคือไม่ครั่นคล้ามเป็นเช่นกับโคอุสุภะอาชนัยไม่กลัวแม้แต่ความตายข้อว่าประเสริฐคือมีคุณธรรมสูง ข้อว่าแก้วกล้าคือมีความเพียรในการพระความชั่วมีประการต่างๆข้อว่าสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือสแสวงหากองแห่งคุณมีศิลขันอันประเสริฐเป็นต้นข้อว่าชนะแล้วคือชนะมานทั้งปวงข้อว่าไม่หวั่นไหวคือไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมข้อว่าอาบน้ําแล้วอธิบายว่าได้ชําระล้างกิเลสแล้ว ข้าว่าผู้รู้คือรู้อริยสัจส์4เรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารบพระองค์คริมานเถระมีเรื่องย่อดังนี้ความว่าคราวเมื่อพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงกระทาอาสะทิสถานนั้นช้างที่เรียบร้อยสำหรับถือชัดให้ภิกษุจำนวน500รูปมีไม่พอ ขาดไปเชือกหนึ่งมีแต่ช้างดุร้ายไม่อาจให้มาถือชัดแก่ภิกษุได้พระเจ้าเพรชที่โกสนทรงปรึกษาพระนางมลิกาว่าจะทำอย่างไรดีพระนางมลริกาออกความเห็นว่าให้เอาช้างเชือกที่ดุร้ายนั้นไปถือชัดสําหรับพระคุณเจ้าองคุริมานเมื่อช้างนั้นเข้าใกล้พระองคุริมานก็กลายเป็นช้างเรียบร้อยด้วยอนุภาพของท่าน ต่อมาภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าไม่กลัวหรือที่ช้างร้ายมายืนถือฉัดให้อยู่ใกล้ๆท่านตอบว่าไม่กลัวภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านพูดไม่จริงพูดอ ว, วดมักอวดผลพระศาสดาทรงทราบแล้วตรัสว่าพระองค์คุริมาพูดจริงพระองค์คุริมาเป็นผู้องค์อาจย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอุสพังปรวรังวีรังเป็นอาธิ มีนัยะดังพรนานามาแล้วแต่ต้นพระองคุริมานก็มีอานุภาพเหมือนกันอานุภาพจนช้างดุร้ายตกมันก็ยังสยบได้โดยไม่ต้องทําอะไรนี่บังคงจะรู้เหมือนกันเนาะบางครั้งถ้าโดยสามัญสํำนึ ก, กเรียกว่าบรรรู้ได้ด้วยกิน่นด้วยสัมผัสด้วยสัญชาตญาณเหมือนกันพวกนี้นี่ เคยทำอะไรมามันมีสัญชาตญาณพิเศษที่รับรู้ได้มันก็เลยกลัวคงจะเหมือนหลวงพ่อพุทธท่านเราถึงโจรมันมาบวชมมาบวชเนี่ยโจรดุร้ายเคยฆ่าคนแต่ว่าก็สำนึกแล้วก็อยากจะบวชเนี่ยท่านเราให้ฟังตอนอยู่ต่างประเทศเอยากจะบวชไปหาอาจารย์กงมาหรืออะไรเนะีย ก็เลยให้เป็นพระขาวติดตามสุดท้ายก็ได้บวชเหมือนกันพอได้บวชแล้วก็ก็เหมือนเหมือนองคุลิมาลเหมือนกันถ้าเราทำสมาธิยากยากไปทำที่ไหนมันกรรมมันก็มากก่อกวนไม่สงบเลยกรรมนี่มันให้ผลจริงนะเวลาอยู่ธรรมดานี่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอก เวลาอยู่นิ่งๆเนี่ยโดยเฉพาะเวลาทำสมาธิมันมาก่อกวนเนี่ยก่อกวนมากเนี่ยท่านอาจารย์ก็เลยให้อธิบายบอกว่าไปอยู่ในป่าป่าลึกๆป่ามีเสือมีช้างอันตรายนู่นเนี่ยท่านก็อยากจะประพฤติปฏิบัติให้มันดียก็เลยเข้าไปอยู่ตามที่ท่านแนะนำเนี่ย บางเอิญไปทําสมาธิอยู่ใจมันก็ฟุ้งซ่า น, นยอยู่เหมือนกันแหละนะอยู่ๆเสือโคร่งก็เดินมาเดินเข้ามาห า, อาพอเดินเข้ามาหาก็ตกใจนีตกใจมันจะเอาเราจริงๆหรือเปล่าเนี่บามันก็คลางใส่เลยทำไมคลางใส่ร้องโอขคากโขคากใส่ก็เลยนั่งหลับตาเอาอเลยอธิษฐานจิตว่ า, เ, าเราเนี่มันชั่วะ เคยทำชั่วมามากก็สมควรที่จะได้รับกรรมถ้าเสือมันอยากจะกินก็ให้มันกินไปเลยจะได้ใช้นี่กรรมไปเสมันเคยทำอะไรมามากน่ว่าอย่างนั้นก็เลยนั่งหลับตาอาธิษฐานว่าเอากินซะเถอะไงเรามันไม่มีดีอะไรหรอกครับเรายอมอุทิศให้เนี่ยหลับตาเพราะอาธิษฐานแล้วหลับตา่สักพักใหญ่เสือมันร้องคราง โคกคากล้วก็หันหลังคุยดินใส่หันหลังให้เราคุยดินใส่แล้วก็เดินหนีไปเลยเนะี่ยท่านก็เอ๊ะทำไมมันเงียบไปเลยลืมตาขึ้นมาอ้าวเห็นแต่ขี้ฝุ่นมันคุยใส่เนะี่ยท่านก็เลยได้คอคิดโห้กูนี่มันชั่วขนาดเสือมันไม่กินเลยเนาะท่านบอกท่านก็เลยเท่านั้นแหละก็เลยอืมก็ดีมันกันเสือมันยังไม่กินเราจะต้อง เอาโอกาสที่เราร อ, อดปลอดภัยจากเสือเนี่ยมาบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างความดีให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนีย่ก็กลายเป็นภิกษุที่ดีขึ้นมาได้เนี่ยเยก็คงจะเป็นเหมือนกันนะหรือเสือเทวดาก็ไม่รู้เนาะมาแกล้งเพื่อจะให้ได้สติให้ข้อคิดธรรมะเนี่ยอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน 39. ผู้เห็นสวรรค์และอบาย พระพุทธภาษิตปุเพนิวาสังโยเวหิสักขาปายัญจปัปสติอัทโธชาติขยังปัตโตอภิญญาโวสิตโตมุนิสัพพโวสิตะโวสานังตะมะหังพลูมิพรามนังแปลว่าบุคคลใดรู้ขันธ์ที่อาศัยอยู่ในการก่อนเห็นสวรรค์และอบายถึงความสิ้นไปแห่งชาติ จบพรหมจรรย์แล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเราเรียกผู้นั้นซึ่งมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วว่าเป็นพรามคำว่าเห็นขันที่อาศัยอยู่ในการก่อนคือการละลึกชาติได้ด้วยยานที่เรียกว่าจุดูปปาตายานข้อว่าเห็นสวรรค์และอาบายคือเห็นสวรรค์หรือเทวโลก26ชั้นวงเล็บ กามาพระจร6หรูปประพรม16อรูปประพรมสี่รวมเป็น26และอบายสคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิรฉานการเห็นสวรรค์และอบายนี้เห็นด้วยทิพรจัจกสุเพราะโลกนั้นเป็นโลกทิพต้องเห็นด้วยจักรสุทิพหรือปัญญายานผู้บรรลุอรหัตผลแล้วท่านเรียกว่าผู้ถึงความสิ้นไปแห่งชาติ คือชาติสิ้นแล้วไม่มีทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเสร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งออวงเล็บคืออริยสัจกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งคือบรรลุพระนิพพานเป็นผู้มีพรหมจรรย์อันจบแล้วเป็นมุนีและบรรลุภาวะแห่งผู้รู้ด้วยปัญญา อันเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะพระมรรจันทร์ของท่านชื่อว่าอยู่เสร็จสั์แล้วได้ทากิจที่ควรทำเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอีกพระาศาสดาตรัสเรียกบุคคลอย่างนี้แล ว, ว่าเป็นพรามเรื่องนี้พระาศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่นัเชเศวันวิหารทรงปราบรพเท ว, วหิตพรามมีเรื่องย่อดังนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงอาพาธด้วยพระวาโย ο. วงเล็บคือลมกำเริบทรงสั่งพระอุปวานะไปยังบ้านของพระเทวหิตพราหมณ์เพื่อขอน้ำร้อนเทวหิตพราหมณ์ทราบเรื่องจากพระอุปวานะแล้วดีใจนักหนาว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกให้มาขอน้ำร้อนจากเรา เขาให้คนหาบเอาน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยมามอบถวายแก่พระอุปวานะเทระไปเขาหาบน้ำและถือน้ำอ้อยตามไปถวายที่วิหารเฉตวันพระเถระให้พระศาสดาสงน้ำอุ่นแล้วเอาน้ำอ้อยงบละลายน้ำอุ่นถวายพระศาสดาพระอาพาธของพระพุทธองค์ระงับลงพราหมณ์นั้นไปวิหาร เฝ้าพระทศพลแล้วทูลถามว่าให้ทายธรรมแก่ใครจึงจะมีผลมากพระศาสดาตรัสตอบว่าทายธรรมที่ให้แก่ผู้มีปุเพนิวาสานุสติญาณรู้สวรรค์และอบายถึงความสิ้นชาติแล้วเป็นมุนีนั่นแหละมีผลมากดังนี้แล้วตรัสภคาถาว่าปุเพนิวาสังโยเวทิเป็นอาทิ มีนยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นในการจบพระธรรมเทศนาคนเป็นอันมากปัรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นส่วนพราหมเรื่อมใสแล้วตั้งอยู่ในสรณคมประกาศตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิตวรรคที่26ชื่อพราหมณวัคควันน า, นารวม36เรื่องจบเพียงเท่านี้เนี่ย รวมเรื่องทั้งหมดเรื่องทั้งหมดในทางแห่งความดีตั้งแต่ต้นจนจบมี301เรื่องจัดเป็นวักยีวักยะมะกะวักเป็นต้นพรามนวักเป็นปริโยสารจัดเป็นคาถาได้423พระคาถาจบบริบูรณ์แล้วเพียงเท่านี้ขอความสุขความปราโมดโดยธรรมจงเกิดมีแก่สรรพสัตย์ ทั่วสากลจักรวาลด้วยเถินยังธรรมกถาสาธายสมันเตหิสันละเกตาปาติ